Sharam gaccha. Uh -huh. Dham Dhammam Dham sharam g a c h a d m a m sharam g a c h a h a m a m sharam gaccha. จากที่เราได้ขับเน้นในเรื่องของทานเรื่องของศีลมาในครั้งที่แล้วจนถึงเมื่อเช้านี้เราได้ฟังตัวอย่างที่ดีของอุคขหบดีนะคะเศรษฐีที่ท่านฟังธรรมแนกลิ่นของสุรายัางเปื้อนกายอยู่ด้วยซ้ำไปเมื่อศรัทธาโลดแล่นแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างก็พ่ายหมดนะคะพ่ายแพ้แห่งพารตนาไตรทั้งหมดพ่ายแห่งองคุณแห่ง โซดาบันเป็นต้นนะคะตอนนี้เมื่อพวกเราได้ศึกษามาถึงส่วนนี้นะคะอยากจะกราบเรียนถามในแง่มุมของการปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปในถึงวันสุดท้ายก็ดีเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมเพราะว่าในแง่มุมของเราชาวพุทธเราจะได้ยินแง่มุมที่ว่า เมื่อเราไปในครั้งที่หนึ่งเราก็ได้ข้อมูลว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้พอเราไปในครั้งที่สองอาจได้ข้อมูลอิปการหนึ่งว่าเดินแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่นะนั่งแบบนั้นก็ไม่ใช่จนทำให้เรามีความรู้สึกว่าตกลงฉันจะไปตรงไหนแน่ฉันจะใช้ข้อมูลอะไรยึดถือไว้ในการประพฤติปฏิบัติและเราเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมาะสมไหม และสำหรับในยุคที่ข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้ามาทางตาหูของเราเนี่ยค่ะว่าการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอย่างนี้เท่านั้นก็อยากจะถามในแง่มุมนี้เจ้าค่ะ กราบ น, นมั ส, สกรารพระคุณเจ้าเชคาข้าสรุปแล้วถามถึงว่าหนูเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะตามข้อมูลที่พอจะรวบรวมได้ว่าข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในแง่มุมของเราผู้ประพฤติธรรมเราจะได้วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเราได้รับวิธีการปฏิบัติว่าต้องนั่งแบบนี้นะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลใหม่ว่านั่งแบบนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง อย่างเช่นนั่งต้องให้ได้นานๆ น, น, นะสามชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่พอเรารู้สึกว่าไอ้สามชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็ได้ข้อมูลใหม่มาว่าสามชั่วโมงไม่ได้หรอกมันส5บห้านาทีก็พอแล้วถามพระอาจารย์แล้วครัว่าแล้วกรรมาฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมข้อมูลที่เราได้รับทั้งหลายแหล่ตามสื่อต่างๆในแง่มุมต่างๆเนี่ย เราถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติได้ไหมเมื่อถือแล้วมีประโยชน์ไหมหรือถ้าไม่มีประโยชน์มันจะมีกับดักอะไรบ้างาก็ขอโมทนาเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวพระพะพงต้องช่วยกันตอบ น, นเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องอดี๋ยวใครเดี๋ยวถามโยมห น, น่อยนะว่าใครเคยผ่านการปฏิบัติกันมากันมากหรื อ, อยังเนี่ย ที่นั่งๆกันมันใครเคยไปเข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติบต้างยกมือหนึ่งเออตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในเรื่องของกรรมฐานหรือที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ในที่พูดนิ้วรวมเลยเอานมาก็พยายามจับประเด็นที่ทางพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอมาอ อ, อ, อย่างนี้อย่างนี้นมันหมายถึงอะไรเนี่ย ก็คงอยากไม่อยากเลยระบุสถานที่นั่นเองคืออย่างนี้ว่าหนึ่งอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยเป็นครื่อหักเป็นผู้คลองเรือนอันนั้นจะต้องลื้อย่าลืมฐานะของพวกเรานะและในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเวลาสอนอุบาสกอุบาสิกานั้นน่ยท่านสอนอย่างไรอะมายกในเรื่องของอุคคะขณะบุดีที่พระศาสดาพระบรมศาสดา ส, ดาสอน เกี่ยวเรื่องการแสดงธรรมและท่านได้บรรลุธรรมที่ทรงแสดงนั้นคือาฐานนกคาถาศีลกถาสักขะคถาการมาทีนาวักคาถาคือโทษของการเนคคำมานิสังสักถาอา น, นิสง์ของการออกจากกามแล้วก็สรุปลงในทุกสมุทยัทยนิโรธมรรคเกเริยสะส4แล้วก็ได้บรรลุแต่ในยุคนี้เมื่อฟังธรรมแบบนี้แล้วไม่ได้บรรลุจะทํำยัำยงไงใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งประเด็นเหตุผล ที่ฟังทำในยุคนี้แล้วเนี่ยโดยมากตะเลิดหรือก็เลื่อนลอยกันโดเนส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลในการฟังของพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเหตุผลที่ไม่แข็งแรงพอสังเกตดูไหมพอพูดเรื่องทานากรกถาเนี่ยนในชั้นคำสอนจริงๆท่านแจกเรื่องทานละเอียดแต่นี้เรามาก่าวยอ่อๆซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับอัธยาศายของคนเราในยุคนี้อีกสีรกรถากาวเรื่องศีลทั้งๆที่ท่านขยายกว้างมาก แต่เราก็มาเรียนแบบย่อๆแล้วก็สักขากถาพูดถึงในเรื่องของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็อีกเยอะมากที่กล่าวเข้าไว้แต่เราก็เรียนแบบย่อๆหมดเลยการมาทีนวัคถาโทษของกรรมนี่พระศ า, าสดาแสดงไว้เยอะในจุลกรรมในในจุลทุกขขันทสูตรมหาทุกขคันทสูตรเป็นต้นตลอดถึงโทษของกรรมแสดงไว้เยอะแยะหมดทั้งในธรรมมาจากขปวันสูตรก็แสดงไว้หรือใน กายคาตาสติสูตรก็แสดงในเรื่องของโทษของการมอีกเยอะหมดเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มาขยายแล้วก็เนคขามานิสังสัตถาแก่เรื่องของเนคขามาบารมีที่ทรงแสดงไว้ที่ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้นี่นะก็อีกมากก็ยังไม่ได้นํามากล่าวแล้วก็อริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของพระศาสาศนาเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นํามาแสดงแบบละเอียด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 ถ้าจิตมันชอบอย่างไรหรือมันผ่องใสอย่างไรก็ให้ตามความคิดนั้นไปอย่างนันอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนเะขานะขาก็สรุปก็วนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราไปตรวจสอบหรือไปสนทนาไปสอบถามความจริงก็กลับกลายเป็นคนแปลกๆเลยใช่ไหมคำว่าแปลกๆในที่นั้นก็หมายความว่าเอ๊ะพอไปเข้าปฏิบัติกรรมฐานเรีกลายเป็นคนเอกเทศไปย่งหนึง่ง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 อุบาสกที่ตามท่านอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยแม้แต่อุบาสกของอุคคะขณะวดีเหมือนกันแล้วก็อุบาสกอีกท่านหนึ่งนะีอยู่ในแควนารวีเนียมีอุบาสกแล้วก็มีเพื่อนๆตามเนี่ยล้วนจะเป็นอุบาสกแล้วล้วนมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านใช้คําว่างเี้ยไม่มีบุตรชนเลยห้าร้อยเวลาท่านโดยปังทำกันเนี่ยนะอันนี้แปลว่าอะไรท่านก็ประกอบอาชีพการงานเนี่ยแก่เป็นกลุ่มชนของอริยชน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 ไม่มีสูตรไหนเลยว่าเออมีการคารวะเข้าอยู่กรรมฐานเป็นระยะระยะไม่มีเลยแต่มีฟังธรรมเป็นอัธยาศัยทุกแทบทุกวันี่มีทุกวันมีกลางวันไปทํางานกลางคืนเข้าวัดเราฟังธรรมอยู่ดึกดึกเดินบางทีก็ทั้งคืนแล้วก็กลับเนี้ยกลางวันก็ประกอบอาชีพตามปกติอยู่เนี้ยเนีมีอัธยาศัยเป็นไปลักษณะนี้ที่บ้านก็เปิดเป็นที่พิกขาจารยนของพระ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 ก่อนที่จะเข้าในเรื่องกรรมฐานเนี่ยในยุคนี้นะคนจะเจริญกรรมฐานกันเป็นพักๆซึ่งมันผิดอย่างมหันนะไปคิดว่าการปฏิบัติกรรมฐานมันมีอยู่เฉพาะในวัดเดินออกจากนอกวัดก็ทิ้งเสียรหรือกรรมฐานก็คือไปเฉพาะเป็นบางคอร์ส ท, ที่จัดอบรม7วัน15วันหลังจากนั้นก็ปล่อยชีวิตตามตามสบาย เป็นไปกับบาปอะไรก็ได้จะดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวขับเลยตามนี้เขาพูดกันนี่นะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถึงปีนึงก็มีการเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่หรือ2ทีอย่างเงี้ยเขาพูดกันในทํานองอย่างนั้นหรือไม่ถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้อะงบอกถึงจุดเสื่อมมากๆแล้วเพราะการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระศาสดานั้นอะ ท่านถือการปฏิบัติทุกมุมทุกจุดของชีวิตไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเป็นพักๆแม้กระทั้งประกอบอาชีพการงานอยู่เช่นการค้าขายเนี่ยท่านก็เดินอาชีวะปริสุทธิ์ี่ได้อยู่ซึ่งเป็นมิจฉ า, า, า, า, า, าสมาอาชีวะขับเน้นการไม่กระทำมิจฉาอาชีพถ้าสัมมาอาชีวะมันก็ต้องเป็นไปกับกุศลไม่ใช่ประกอบอาชีพการงานแบบหน้าดำข่าเครียดเป็นอยู่ทุกวันเนี้ย หรือแม้การไปสอนหนังสือหรือแม้การไปประกอบอาชีพอย่างอื่นทำนาทำไรทั้งหลายก็ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนอันนี้บ่งบอกว่าเราไม่สามารถเอาธรรมะของพระผู้ทธพภาคเจ้าไปท้าพร์ภาษาสมัยใหม่ท่านใช้คำว่าไม่สามารถเอาไปบูรณาการใช้ได้ในจริงในชีวิตนะ่ะใช่ไหม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 กับพระพุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อคําสอนของพุทธเจ้านั้นถูกจํากัดสถานที่อย่างนี้แล้วแล้วศาสนาจะเจริญในใจของชาวพุทธไม่ได้และการปฏิบัติใช่ไหมแต่พระพุยิ่งบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารความเข้าใจมุมนี้จนจนกระจายก่อนถ้าไม่สามารถสื่อสารในมุมนี้ได้ให้ชาวพุทธได้เข้าใจคําสอน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 ตอผู้มีอุปการลาคุณทั้งหลายหรือเพื่อนมิตรทั้งหลายหรือครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายปฏิบัติต่อเจ้าหนา้าอย่างนี้ยมันมีหลักการยึดโยงเชื่อมโยงกันหมดแล้วเป็นไปกับจารีสีลเป็นไปกับวารีศีลเป็นไปกับสมาธิและปัญญายัางไงท่านขับเน้นการขับเน้นในลักษณะอย่างนี้แปลว่าพระธรรมคาสอนของพุทธิยานเดินอยู่ในใจของท่านเหล่านั้นได้จริงๆนะถ้ามองอย่างนี้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 ตอนนี้มันก็ตีบตันแล้วก็ไม่รู้จะขยายออกอย่างไรในขณะที่ตนเองเองก็ยังมีปัญหาเต็มไปหมดก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนได้เองและคนเกี่ยวข้องเขาก็มองเราก็าก็ไม่ศรัทธาไม่จะศรัทธาได้อย่างไรเพราะท่านผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติได้จริงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาปัญหาส่วนหนึ่งแต่นี้ก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงในเรื่องของกรรมฐาน ถ้าลองมาดูอย่างนี้ว่าเอาสูตรที่เราฟังกันมาอุคค้าสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่บอกคุณธรรมของอุค้าข่าบุดีแล้วอุคค้าข่าบุดีเนี่ยอุคค้หาบุดีเนี่ยท่านพูดเองว่าท่านบรรลุอย่างไรท่านบอกว่าท่านเห็นพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลื่อมใสเลยใช่ไหมพอเลื่อมใสปุ๊บแล้วท่านก็เข้าไปใกล้ เมื่อเข้าไปใกล้ท่านก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ลงแล้วท่านก็เงียโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้พระาศาสดาก็แสดงทานแสดงศีลแสดงสัก ข, ขาคืออนิสง์แล้วก็แสดงกามาทีนาวะคือโทษแล้วก็แสดงเนคขามันิสังสกถขาพอแสดงเบ็เสร็จแล้วจิตของท่านก็อ่อนอ่อนควรต่อกุศลคือสภาพกุศลแลจิตจากที่ไม่ค่อยเกิดในใจของท่านเนี่ย ก็คือคารวาัตก็คือเป็นผู้ที่คับแคบใช่ไหมคําว่าคารวัตเนี่ยเขาเปแปลผู้คับแคบผู้คลองเรือนเนี่ยคําว่าคับแคบคือคับแคบอะไรอยอมยอมรู้ไหมคําว่าคับแคบอะยมจ้คำว่าคับแค บ, บแปลว่าอะไรแปลว่าบุญมันเกิดยากบาปมันเกิดง่ายเขาจึงเรียกว่าชี้หิเพศไงคือเพศที่ต่ําอะ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 ไม่อ่อนก็แปลว่าใจไม่ได้ถูกฝึกปรือด้วยกุศลอย่างต่อเนื่องเหมือนเหล็กไงยอมเหล็กที่ไม่ได้ถูกเข้าเป้าป่าหลอมมันไม่อ่อนใช่ไหมทองเนี่ยทองที่มันจะอ่อนเอามาทําเป็นกําไลสร้อยแหวนนาฬิกาไปทำเป็นเครื่องประดับได้เนี่ยทองนั้นมันต้องถูกหลอมจนอ่อนใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยพระธรรมมเทศนาของพระบรมศาสดาเนี่ยหลอมจนอ่อนเนี่ย เมื่ออ่อนควรต่อการงานก็พลากออกจากบาปได้ตอนเนี้ยมันยังปนกันหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> มันแทรกซึมปนกันหมดแล้วจิตกับบาปนี่โดยมากมันเกี่ยวข้องกันก็หนักเป็นจิตที่หนักเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่ดื้อรัน้นเป็นจิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่อะไรเยอะแยะไปเสจทั้งแข็งดีใช่ไหมมานะทิฏฐิปราสตีเสมอโอ้อวดมายา เจ้าเลสะเถยะอติมานัาอะไรต่างเนี่ยมันจะเต็มไปหมดแหละโลภความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือสภาพจิตที่มันแข็งแต่พอได้คำว่าทานกุศลเข้าไปศีลกุศลเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของฝึกขัดกลาวอ่อนโยนเนี่ยมันควรเลยตอนนี้อันนี้ควรต่อการงานเพราะว่าตอนนั้นจิตเป็นไปกันในล้านของปลาโมดปีติปัสสความสุขเลย พระศาสดาก็สรุปลงอริยาสาัจบรรลุนี่ฟังธรรมบรรลุเนี่ยเนี่ยถ้าถามบอกว่าอุคเร า, าดีเนี่ยท่านท่านกำหนดกรรมฐานอะไรกำหนดกรรมฐานอะไรตอนถามว่าพระบรมศาสดาสแสดงกรรมฐานอะไร จะแสดงกรรมฐานอะไรอ่ะถ้ามองอย่างนี้ก็คือให้เดินจากานุสติศีลานุสติเข้าใจป่ะหรือพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นในคําสอนที่พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวนี่นะหนึ่งนะนี่อา น, นิสงส์นะ ทำอย่างหนึ่งนะที่บุคคลจเจริญแล้วแล้วก็กระทาไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายคือนิพิทาเนี่ยโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเวลาค่านี่นะเพื่อความดับหนีนิโรธะเพื่อสงบเนี่ยอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อพระนิพพานเจอย่างไหมก็คือน่ายนันหนึ่งคลายกำหนับนี่สอความดับหนีสาม เพื่อความสงบในสี่เพื่อความรู้ยิ่งนนห้าเพื่อตัสรู้ในหกเพื่อพันิพาณในเจน็ดมีอา น, นิสงส์เจ็ดประการเหล่านี้ที่จะได้ก็คือทำอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรทำอย่างหนึ่งน่นคือพุทธานุสติเห็น ไ, ไหมมีพุทธานุสติอก ข, ขาข่าวดีเจริญอะไรพุทธานุสติเพราะอะไรเลื่อมสเห็นปับเลื่อมสแล้วเนี่ย พอเลื่อมสายเบสเสร็จก็พระริจ้าแสดงธรรมพอแสดงธรรมเบสเสรนะ็จเนี่ยยิ่งยิ่งศรัทธาในพระริจ้ามากขึ้นไหมศรัทธาในพระธรรมมากขึ้นไหมและศรัทธาในการที่จะข้อปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เดินตามพระธรรมของพระริจ้านี่แหละจะเข้าเป็นหนึ่งในสังฆะได้ท่านฟังธรรมไปเนะี่ยท่านเดินอนุสตินะนั่นแหละคือเดินอนุสติแล้ว ถ้าเราเลือกถึงทานในกุศลราลึกถึงศีลกุศลเป็นจาคานุสติเอถ้าเลึกถึงศีลเป็นศีลานุสติถ้าเราเลือกถึงคุณของพระเจ้าเป็นพุทธานุสติถ้าเราลึกถึงคุณของพระธรรมเป็นธรรมานุสติถ้าเราลึกถึงข้อปฏิบัติดีของพาริยสงฆ์เป็นสังขานุสติเหล่าเนี้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเรียกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วก็คือเราลึกตามเราลึกตลอด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 ทองคาเป็นแท่งเข้าสู่ที่หลอมเบ้าหลอมพอสูบลมเข้าไปไปเสร็จไฟก็เริ่มลุกพอไฟเริ่มลุกเนี่ยเหล็กทองแท่งใหญ่ๆจะเริ่มอ่อนไหมตอนนี้จิตเรามันแข็งก็ยังด้ทิถีมานะจิตมันหนักด้วยถีนามิทะจิตมันมีโรครุมแล้วด้วยราคาโทสาวโมหะจิตนี้ยังไม่ควร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 ทั้งพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคาสีราชาคาอุปสมาเทวตาอะไรก็แล้วแต่หรือจนถึงมรณสติอันนี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้มากที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นชาพุทธละลึกถึงพุท ธ, ธานุสติไม่ได้ลําบากแล้วขนาดเป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของอะ่ะเจ้าของธรรมเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเจ้าของธรรมาคือใคร เป็นเช่นไรต่างๆเหล่านี้ยถ้าไม่รู้จักเจ้าของทรรมะเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการสมบัติเอามาใช้ทรัพย์สมบัติของท่านพู้นี้มาใช้แต่เราไม่ไม่รู้จักใครเป็นเจ้าของแล้วไม่เห็นคุณของเจ้าของแล้วเราจะไปเจริญกรรมฐ า, านเลยฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องมีประเด็นอะไรเหลืออีกเยอะนะในที่มา ตอบแบบกว้างๆนี่นะแต่ตรงนี้เพื่อจะได้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วจะได้เจาะประเด็นนี้แต่ละเป็นลายบุคคลที่สงสัยที่นั่งฟังเนี่ยนะถ้าสงสัยประเด็นไหนอย่างไรแล้วก็เพราะอาจจะต้องมีปัญหาหรือประเด็นการสอบถามตามมาค่อนข้างเยอะถ้ามาเปิดประเด็นอย่างเงี้ยนะถ้าหลายๆท่านคิดตามที่อย่างมาคิดนะถ้าเป็นอามานั่งฟังมุมที่เปิดอย่างเงี้ยอามาจะมีประเด็นการถามตามมาเยอะ